ทั้งทำเด้อนะเราลองว่าไม่โกหกหมดเพศที่สุดได้คําสอนของพระพระทุทธเจ้าถ้าเป็นสัจธรรมน่ยไม่มีคําถามมีแต่คําตอบเวลาใดที่เราลู่สึกตัวเราต้องถามใครไหมว่าเราลู่สึกตัวหรือเปล่าเป็นปัจจัตตังเป็นของใครของเราเวลาใดที่มันหลงไป เราถามใครไหมว่าเราหลงหรือเปล่าอะไรก็ตามที่มันเกิดกับกายกับใจเนี่ยไม่มีคำถามต่ความโกรธต้องไปถามใครไหมว่าฉันโกรธหรือเปล่าถ้าฉันไม่โกรธจะไปถามใครไหมว่าฉันไม่โกรธหรือเปล่าเป็นปัจจัตังลู้เอาเองเราจเจริญสติเช่นเราลู้ศึกตัวมือของเราวางไว้บนเขา่า ต้องไปถามใครไหมว่ามือของเราวางอยู่บนเขา่าไม่มีคำถามไม่แต่ตัวเองรู้สึกเอาเองนี่เป็นหลักสากลใครก็ตามถ้ามีความรู้สึกตัวอยู่กับกายพิกมือเคลื่อนไหวไปมาก็เป็นของผู้นั้นไม่ใช่เป็นของใคร ไม่ใช่เป็นลัทธินิกายชาติภาษาหรืออะไรอไรก็ตามเ้าสร้างความรู้สึกตัวก็เป็นความรู้สึกตัวผู้หญิงก็คือความรู้สึกตัวผู้ชายก็คือความรู้สึกตัวนักบวดหรือขราวาญาติโยมก็คือความรู้สึกตัวคนหนุ่มกนแก่แก็คือความรู้สึกตัว จัดใดละที่ใดคือผวมรู้สึกตัวเป็นสากลของธรรมเนี่ยความเป็นสากลของธรรมนะ่ไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้แล้วก็เลยเรียกวิชานี้ว่าวิชาภาวนาวิชาภาวนาเป็นวิชาที่พัฒนาชีวิตอย่างยอดเยี่ยมภาวนาคืออะไรคือ เปลี่ยนความผิดให้เป็นถูกเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์เป็นความกโกรธให้เป็นความไม่กโกรธเปลี่ยนความหลงให้เป็นความไม่หลงภาวนาคือทําให้ความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นเป็นหลักต้นๆเราพยายามที่จะรู้สึกตัวขยันรู้การขยันรู้ท่านเรียกว่าภาวนา ไม่ใช่ไปปริกรรมพุโทโธสัมมาอรหังยกหนอของหนอไม่ต้องว่าเอากายไปต่อเอากายไปสัมผัสเอากับคำว่ารู้ศึกตัวเอาจิตเอาใจไปต่อเอากับคำว่ารู้ศึกตัวไม่มีคําพูดไม่มีรูปแบบอะไรให้เข้าไปถึงกายตรงๆ ง, งให้เข้าไปถึงจิตใจตรงๆ ให้กายได้ต่อกับความรู้สึกตัวจนกายบันคุ้นกับความรู้สึกตัวให้จิตให้ใจไปต่อกับความรู้สึกตัวจนจิตใจบันคุค้นกับความรู้สึกตัวเอาไปเอามาดวงรู้สึกตัวจะเป็นกายเป็นจิตกด็ดีมันก็คือความรู้สึกตัวมันติดแต่วันเป็นแล้วเพราะความรู้สึกตัวเป็นใหญ่แล้วเป็นอินทรีย์ แต่เรียกว่าสติอินทรีย์ความรู้สึกตัวเป็นใหญ่ครองกายคลองใจแต่ว่าก่อนที่จะมีความรู้สึกตัวเป็นใหญ่เราก็ต้องสร้างอางทีมันมีความหลงเป็นใหญ่มานานแล้วถ้าจะถามพวกเราก็ว่าตั้งแต่เกิดมาถึงวันนี้ความรู้สึกตัวกับความหลงมันอะไรมันมากกว่ากันทุกคนก็ตอบเอาเอง แล้วถ้าเราจะพิสูจน์ตั้งแต่เน่้ต่อไปเราจะเพียรพยายามที่จะสร้างความรู้สึกตัวอะไรก็ตามการใช้ชิตประจำวันเพิ่มความรู้สึกตัวเข้าไปเพิ่มความรู้สึกตัวเข้าไปแล้วท่านก็จะได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวเมื่อเวลาเราได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวเวลาใดที่มันหลงก็ต่างกันนะความรู้สึกตัวกับความหลงต่างกันถ้าผู้ที่ มีความรู้สึกตัวแล้วเขาจะไม่เอาความหลงดอกเราเลือกเป็นแล้วเพราะว่าไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องไม่เป็นความชอบความรู้สึกตัวต่างหากเป็นความชอบเป็นความชอบธรรมเข้ากันกับกายเข้ากันกับจิตได้ดีเหมือนน้ำกับน้ำแต่ความหลงมันก็เข้ากันกับกายไม่ได้เข้ากันกับจิตใจไม่ได้เป็นปัญหาสัมผัสดูแล้ว ไม่ต้องไปถามใครเวลาใดมีความรู้สึกตัวเวลาใดมีความหลงมันเป็นอย่างไรแต่ถ้าคนที่ไม่เคยมีความรู้สึกตัวเขาจะไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงเขาก็พลัดไปอยู่กับความหลงโอ้โหโง่ๆแต่ๆหรือหาเรื่องที่จะให้มันหลงเรื่อยไปอย่างนี้นนวิธีที่เราฝึกหัดเนี่ยมันเป็นหลักของสากลแห่งธรรม เป็นสากลแห่งธรรมถ้าเราพลิกมือรู้สึกตัวก็เป็นผู้ที่รู้สึกตัวไปแล้วแต่ถ้าเราต้งหมดนั่งอยู่นี่มีความรู้สึกตัวทุกชีวิตก็เป็นคนคนเดียวกันแต่ถ้าเรามีความหลงก็เป็นคนลกคนไปแล้วเมื่อมันเป็นคนละคนเรื่องมันก็มีปัญหาจนหนึ่งคิดไปอย่างหนึ่งคนหลงหลงไปอย่างนั้น ถ้าเราไปความรู้สึกตัวนะเราจงมาพิสูจน์เรื่องนี้กันแล้วสิ่งที่เรารู้ก็มีจริงจริงเช่นกายเช่นมือนี่นะมันก็มีจริงจริงเป็นวัตถุที่สัมผัสได้เป็นปัจจจตังทําไมเราจึงต้องมาสร้างเป็นรูปแบบเป็นจังหวะก็เพราะว่าชีวิตของเรามันไหลมันไหลไปข้างหน้ามันไหลคืนข้างหลังมันเป็นมานานแล้ว พราณท่านจึงว่ากลางคืนว่าฝันกลางวันไวาคิดไหลไปข้างหน้ามไหลคืนข้างหลังไม่มีปัจจุบันเป็นที่อยู่บางทีโบราณท่านจึงว่าคนหนุ่มคิดไปข้างหน้าคนชราคิดคืนข้างหลังหมกมุ่นคนคิดอยู่กับความคิดให้ความคิดผักใสกลางคืนว่าฝันกลางวันจนไว้คิด เราจึงพยายามทั้งจะให้มันมีหลักให้มันเป็นปัจจุบันถ้าไม่ตั้งไว้แบบนี้มันไม่เป็นจุปัจจุบันมันไม่ได้หัดไม่ว่าจะหัดตรงไหนเป็นจิตมันก็ไม่มีตัวไม่ตนแต่ว่ากายได้มันก็ไม่ใช่มันเป็นใหญ่จิตต่างหากที่มันเป็นใหญ่แล้วแต่เขาจะสั่งการสั่งงานอย่างไรเราก็จะหัดจิตจิต ก, ก็ไม่มีตัวไม่ตนเราจะหัดย่งไงเราจึงเอา ความรู้สึกตัวมาว่างไว้ที่กายให้รู้สึกให้รู้สึกแตมันคิดไปก็ให้รู้จักกลับมาแล้วเราตั้งตัวรู้สึกไว้เป็นทุนเป็นเจ้าเรือนแล้วพอมันหลงคิดไปเราก็รู้สึกตัวเราก็กลับมาเป็นกลับมาที่มันเวลาใดที่มันคิดไปกลับมาเป็นทุกครั้งคิดครั้งหนึ่งก็รู้สึกตัวครั้งหนึ่งคิดตัวคิดที่ไม่ได้ตั้งใจนะหนะตัวลักคิด ตัวลักคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเป็นตัวสมุทัยเป็นตัวสังขารมันอยู่ไม่เป็นสังขารมันขยันเขาเป็นอาชีพของเขาท่านจึงเปรียบสังขารเหมือนนายช่างปั้นหม้อนายช่างปั้นหม้อปั้นอยู่งั้นแหละแต่ว่าปั้นแล้วหม้อจะเป็นลูกใหญ่ลูกเล็กลูกสวยลูกไม่สวยก็แตกเท่านั้นผิดผลของสังขาร ที่เกิดจากการปรุงปรุงแต่งแต่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเลยไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันชื่อว่าสังขารหรอมันก็ไม่เที่ยงแน่นอนมันก็เป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นความโกรธความทุกข์มันไม่มีตัวมีตนอะไรมันเป็นสังขารมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็หมดไปมันก็ไหลไปมันก็หมดไปเป็นพบเป็นชาติเกิดจับเกิดจับ มันเป็นอย่างนั้นชีวิตเราเราจึงต้องมาหัดตรงเนี้ยให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวนานๆลงดูมันจะเป็นอย่างไรกอพิสูจน์กันตรงนี้อย่างน้อยเราก็เห็นความคิดได้กลับมาอยู่กับเิ็มิตรที่เราตั้งไว้การสอนตัวเองการสอนกายก็ดีการสอนจิตก็ ด, ดีตรงนี่แหละตรงที่มันคิดไปข้างหน้าคิด ไกลข้างหลังเรากลับมาตั้งอยู่กับปัจจุบันกลับมาตั้งกับปัจจุบันให้ลู่ไปพร้อมๆกันตะแคงมือก็ลู่ตะแคงมือพร้อมกั น, กกนยกก็ลู่ยกแล้วก็เลยเป็นของจริงเป็นปัจจุบันเห็นกับตาเห็นกับใจทํากับมือแต่หยุดความคิดก็หยุดได้กับมือของเราต่อไปจะหยุดความทุกข์หยุดความโกรธหยุดความโลคหยุดความหลงหยุดตารปลงแต่ง ได้แล้วว่าคลุมความรู้สึกตัวเป็นตัวคลุมกำเนิดของสังขารการตัดจรูกของพระเจ้า ก, ก็คือสมุทยัยเราทุกเราก็สมุทยัยในโักมันก็อยู่ในวงนี่แหละเราทำางนัน้แล้วก็เห็นทันทีเวลาใดที่มันหลงไปเรากลับมาเราเห็นความหลงของเราหลายครั้งหลายคราว ถ้ามันเห็นต่อหน้าตบตากับความหลงแล้วความหลงจะหลอกได้ยังไงเมื่อเราเห็นคนที่หลอกโกหกเราเราเห็นเงื่อนไขที่เขาหลอกเราเราจะต้องไปปล่อยเขาหลอกอยู่จนมีไม่ได้เป็นไม่ได้แล้วใครถูกหลอกเราก็ต้องเข็ดหลาบการที่ถูกหลอกเราก็ต้องได้บทเรียนการที่สังขารทั้งหลายที่มันหลอกเราดัง เราก็ได้บทเรียนจากนะเช่ไหมเวลามันหลงเนี่ยได้บทเรียนได้ประสบการณ์ได้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เนี่ยบทเรียนที่หาไม่มีต้องได้จากตัวเราไม่ใช่พิสูจน์อะไรเหมือนไม่เหมือนศึกษาทางโลกไม่ใช่ว่าจะวดตัวเดินพระพิสูจน์มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราความโลภความโกรธความหลงใครก็รู้ว่ามันไม่ดี ความทุกข์เครก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่เราไม่เห็นแจ้งเราจึงเพียรพยายามที่จะรู้สึกตัวรู้สึกตัวไว้เวลาใดที่มันหลงคิดหลงไปอะไรก็ตามกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวการกลับมารู้สึกตัวเนี่ยตัวนี้แหละภาวนาคือพัฒนาแล้วกลับมาบ่อยๆกลับมาบ่อยๆตัวนี้เป็นตัวพัฒนาทําให้ดีขึ้นทําให้เจริญขึ้น ท่าเรียกว่าภาวนาภาวิตาพระหูรีกตาสังวัตตันติทํำให้มากเกินเลยให้มากให้รู้สึกกลับมากลับมากลับมามันเห็นนัอนเก่าเห็นนัอนเก่าเห็นอดเก่าอาจจะเป็นความหลงเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้แต่บางงบาทีหลงที่แรกก็ไม่ทันหรอกแต่หลงไปหลงมาหลงกับความคิดหลงมากขึ้นมากขึ้นเราก็รู้มากเข้ามากเข้ามันทันก่อน หรือว่าจะเอกันคนหนึ่งจะออกประตูคนหนึ่งก็พกประตูอยู่แล้วจะเอกันของจริงก็ต้องเป็นของจริงของไม่จริงก็ต้องเป็นของไม่จริงความหลงไม่เป็นของจริงความไม่หลงเป็นของจริงสัมผัสดูแล้วไม่ต้องไปถามใครเมื่อมันเปี่ยนหน้ามันจะเอกกันมันก็หมดค่าแล้ว ความหลงเหมือนหมดค่าหมดพิษสงหมดอำนาจเป็นไปทนองนะั้นการปฏิบัติธรรมแต่ว่าถ้าจะพูดเป็นภาษาก็ามีภาษาตันเียกว่าวิปัสนาญาณล่วงพ้นภาวะเก่าวิปัสนาญาณคือล่วงพ้นภาวะเก่าเก่าภาวะเดิมเดิมมันไม่เหมือนเดิมพิสูตรได้ มันต้องพิสูจน์ได้มันต่างเก่าอยู่เช่นบอกใครต่อใครว่ามันปวดแต่ก่อนเป็นผู้ปวดบันนี้เห็นมันปวดต่างเก่าไหมเป็นผู้ปวดก็เห็นมันปวดมันต่างกันมันหิวเป็นผู้หิวหรือเห็นมันหิวนักภาวนาจะดูออกเห็นมันหิวเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์มันต่างเก่า เมื่อเห็นมันแล้วมันก็พ้นหลุดพ้นได้่ายเมื่อไม่เห็นก็พ้นไม่ได้เลยแล้วนั่นจึงต่างเก่าจนพระพุทธเจ้าจะว่าเห็นทุกเมื่อเห็นทุกก็เห็นเหตุให้เกิดทุกขนั่นแหะเมื่อเห็นเหตุให้เกิดทุกก็เห็นวิธีที่จะทําเหตุนั่นให้ไม่ทุกหรือว่ามรรคเมื่อมาทำองค์มรรคแล้วมันก็พ้นในโลดพ้นไป พ้นจากอะไรพ้นจากทุกข์ข้นจากโกรธพ้นจา ก, กลุกงพ้นจากปัญหามันก็เป็นปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารในมันเป็นปัญญาสังขารคือกายสังขารจิตสังขารแล้วก็เห็นบทเข้าแถวให้เราดูแล้วมันก็มีอารมณ์มีสูตรอางที่พูดให้ฟังวันก่อนๆว่ากายานุปัสสนาเป็นสูตรของกาย เวทนาลูปัชนามันก็มีอยู่ในกายกายได้ต้องร้อนเป็นหนาวเป็นหิวเป็นปวดเป็นอะไรต่างๆเขาเรกเป็นสูตรของเขาเห็นความเทศของกิ่งของเขาก็เลยเป็นปัญญาแต่ก่อนเอามาเป็นสุขเอามาเป็นทุกข์เอามาเป็นเรื่องชอบเอามาเป็นเรื่องไม่ชอบเอามาเป็นเรื่องยินดียินร้ายของอย่างเดียว ชอบของอย่างเดียวไม่ชอบอย่างนั้นพอมาเห็นแจ้งแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเห็นแจ้งคนเข้าไม่ถึงความชอบไม่ชอบมันเห็นก็จบแล้วพบเห็นมันจบไปแล้วการพบเห็นมันเห็นต่อหน้าต่อตามันจบไปแล้วเพราะว่ายินดีเพราะว่ายินไล่มันจะไม่มีไม่มถึงกับเป็นอุปาทานไปยืดเอา แล้วก็ติดอุปท า, านแปลว่ายึดไว้ติดมันติดอะไรมาชีวิตของเราไม่แต่ลอยเปะลอยเปื้อหรือลอยชนลอยชำ้ำอะไรต่างๆแต่เป็นรถก็เป็นรถมือสองถูกชนมามากถูกช้ำมามากในแผล ผิดความถูกไม่แพ้ความโรคความโกรธความหลงบางคนก็เป็นจริตนิสัยหละค า, าจริตโทสะจริตโผหอจริตการมาเจริญสตินี้มันก็มาซ่อมชีวิตในีมันดีให้มันมาตสถานเข้าอู้ซ่อมพอมันลงทีงไรลู่สึกตัวซ่อมขึ้นมาหลงไปทางไหนลู่สึกตัวซ่อมแล้วซ่อมแล้ว แล้วก็โดยเฉพาะจิตใจเนี่ยเป็นของที่พัฒนาได้อย่างยอดเยีย่ยมอย่างยอดเยีย่ยมเหมือนกับเมื่อเช้านี่หลวงพ่อพูดบ้านของจิตคือภาวะความปกติในเหมือนบ้านของกายบ้านของกายต้องซ่อมอยู่เรื่อยเ่เห็นสาลาหลังนี้โดยพ่อเคยปลูกในวัดสุขโตเนะี่ย สี่ิบสาสิบปีนี่เวลานี่ก็ต้องซ่อมกันแล้วใช่นานมานานก็ต้องผุพังก็ต้องซ่อมซ่อมไปซ่อมมามันก็เสือ่อมมันก็ไม่มีคุณภาพก็สุดโ่งแต่ว่านของจิตคือะว่าว่าคปกตินี่ไม่ต้องซ่อมเลยถ้าจิตที่ฝึกหัดดีแล้ว จิตตระเสติสยติโลโกจิตตังทันตังสุขวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วเป็นประโยชน์มีประยชนเพึ่งพาอาศัยได้แต่ถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยออกหน้าออกตารับอะไรทุกอย่างออกไปรับอะไรก็ถึงจิตพอฝึกดีแล้วมันก็ไม่ถึงมันมีบ้านไม่ที่อยู่เป็นปกติเป็นปก ต, เปปกติเป็นบ้านของจิต อยู่บนรถเมที่ทํางานที่ไหนก็ตามเราก็อยู่กับภาวะความปกติชีวิตที่มีบ้านที่มีปกติเป็นชีวิตกิจใจแล้วก็พึ่งได้นะคนอื่นก็เพื่งได้ไม่วันที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปเราก็เพื่งเราได้แต่ถ้าเราไม่มีชีวิตเข้าถึงภาวะคปกติ เราก็ไม่มั่นใจชีวิตจิตใจของเราไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรผมไลาย่มดีปูปูแปร่แปร บ, บางคนอาจะพูดว่าฉันไม่มั่นใจฉันไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนั่นอันตรายทําไมจึงปล่อยไปแล้วเลยปล่อยเท่งไว้อย่างนั้นมันก็อยู่กับเราทําไมไม่ปรึกหัดไปอยู่ตรงไหนกัน ไปเละเทะไปเลวสามอะไรเท่าไหนจนพึ่งกิดไม่ได้ปล่อยวปาละเลยเราจึงจำเป็นต้องฝึกทำไมต้องฝึกก็เพราะเหตุนี่แหละแต่เราไม่ฝึกก็เป็นพิษนะ